จนันทรพท่านผู้มีจิตเมตตากรุณ า, าใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่ธันวาคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่าจากภาร ก, กิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาตักตัวผลประโยชน์ที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้แก่พวกท่านทั้งหลายปนผลประโยชน์ของพระพุทธศาสนานี้เป็นประโยชน์ที่ล้ำค่าเหนือสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นั่นก็คือการหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งปวงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีศาสนาใดไม่มีคำสอนใดที่จะสามารถสอนให้ไปถึงความหลุดพ้นความหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดนั้นการที่เราได้มาเกิด มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นโอกาสที่ล้ำค่าอย่างยิ่งที่เราไม่ควรที่จะปล่อยให้หลุดจากมือเราไปเพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้จักทางที่จะนำพาให้เราไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆอย่างที่เราเคยทำกันมานับเป็นเวลาไม่ท่วนเป็นเวลาอันยาวนานภพชาติที่เราเกิดมานั้นมีจำนวนมากและในแต่ละภพแต่ละชาติเราก็ต้องทุก์กับเรื่องราวต่างๆเราต้องร้องห่มร้องไห้ หลังน้ำตากันถ้าเราเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติมาสะสมกันแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเีนั่นคือปริมาณภพชาติที่เราได้ผ่านมาในแต่ละในในแต่ละภพในแต่ละชาติน้ำตาที่เราหลั่ง เมื่อเรามาสะสมกันแล้วจะมากมายยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรแสดงว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี่เป็นมาเป็นเวลาอันยาวนานมากนับจำนวนพบชาติไม่ได้เลยและจะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้นำเอาพระธรรมคำสอน อันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติถ้าสามารถปฏิบัติได้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างถาวรอย่างสิ้นเชิงเพราะทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ ตราบนั้นยังจะต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมาเสมอและความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละที่ทําให้พวกเราต้องหลั่งน้ําตากันต้องทุกข์ทรมานใจกันแต่ถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างขยันหมั่นเพียร อย่างไม่ท้อถอยเราจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ในชาตินี้เลยเราไม่ต้องเสียเวลามาบําเพ็ญบุญบารมีต่างๆเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงต้องบําเพ็ญบุญบารมีมาเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้มีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนา ไม่มีโอกาสได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆทำให้พระองค์จะต้องคลาทางไปเองหาทางไปเองทรงลองผิดลองถูกทรงบำเพ็ญบุญบา ร, รมีต่างๆมากมายจนในที่สุดก็สามารถตัดสรนุปเป็นพระอรหันต์ตระมาสามพุทธเจ้าได้หลังจากนั้นแล้วพระองค์ ก็ทรงนำเอาทางอันประเสริฐที่จะนำพาสัตโลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตวโลกผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ก็ได้หลุดพ้นได้บรรลุถึงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ในชาตินี้เป็นจำนวนมากนั่นก็คือพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายที่พวกเรายึดเป็นพระสังฆรัตนะเป็นที่พึ่งที่สาของใจของพวกเราที่พึ่งแรกก็คือพระพุทธรัตนะคือพระพุทธเจ้าที่พึ่งที่สองก็คือพระธรรมรัตนะคือพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้า ที่เพิ่มที่สาก็คือพระสังฆรัตนะพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธ์ธะปะรนิพพานไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายที่จะทําหน้าที่สั่งสอน พระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกต่อไปพวกเราจึงถือว่ายังมีบุญมีวาสนาที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนได้พบกับครูบาอาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่จะสอนที่จะบอกทางสู่การสิ้นทุกข์ให้แก่พวกเรา ทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินและได้นำเอามาสั่งสอนพวกเรานี้เรียกว่ามักที่มีองค์แปคือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางหลุดพ้นที่ไม่ต้องทรมานตัวเองโดยใช่เหตุและก็ไม่ต้องหาความสุขต่างๆมาดับทุกข์เพียงแต่ให้มี มักที่เป็นองแ์8ที่มีองค์ประกอบอยู่แปดประการนี้เป็นการดำเนินเป็นการพาไปก็จะไปถึงสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในชาตินี้มักที่องแนี้ก็มีหนึ่งสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องสอง สัมมาสังกปโปคือความคิดที่ถูกต้อง 3. สัมมากรรมโตคือการกระทำที่ถูกต้อง4สัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้อง 5. สัมมาอาชีโวอาชีพที่ถูกต้อง 6. สัมมาวายาโมความภาคเพียรที่ถูกต้องเจ็ดสัมมาสติ การระลึกรู้ที่ถูกต้องและแปกสัมมาสมาธิการตั้งมั่นที่ถูกต้องของจิตนี่คือองค์ประกอบของทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง8ปประการนี้ข้อแรก ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องก็คือให้เห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผู้ที่ทำบาปตายไปแล้วจะต้องไปเกิดในอบ า, ายไปตกนรกผู้ที่ทำบุญเมื่อตายไปแล้วก็จะไปสู่สุคติแล้วก็ผู้ที่สามารถ ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปนี่คือความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นว่าเรายังตายไปแล้วนั้นที่เราตายไปนี้เป็นเพียงร่างกายไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ทำเอาไว้ ยกเว้นว่าถ้าสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็จะไม่ต้องไปรับผลของบุญของบาปเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านได้ชำระจิตใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์คือได้กําจัดความโลภความอยากต่างๆความโกรธและความหลง ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปถ้าไม่มีความโลภความอยาความโกรธความหลงแล้วก็จะไม่มีสิ่งที่จะผลักดันให้จิตใจต้องไปเกิดใหม่นี่คือความเห็นที่เราควรที่จะมีการเห็นนี้จะเกิดได้ก็จากการฟังเทศฟังธรรมจากการศึกษา พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ตามตามแหล่งต่างๆแหล่งแรกที่สําคัญที่สุดก็คือพระไตรปิฎกเพราะเป็นที่จาวลึกพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ารองลงมาก็คือหนังสือต่างๆที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกและคําสอนของครูบาอาจารย์ของพระสุปฏิปโนทั้งหลาย คือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคำสอนเหล่านี้จะไม่ผิดเพี้ยนจากหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วเพราะสอนออกมาจากผลที่ได้รับจากการปฏิบัติไม่ได้สอนออกมาจากจินตนาการถ้าเพียงแต่ศึกษาอย่างเดียวยังไม่ได้ปฏิบัติ จะยังไม่เห็นผลก็จะไม่สามารถพูดถึงผลได้ว่าเป็นอย่างไรถ้าพูดก็พูดในเชิงคาดการพูดไปตามจินตนาการตามความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ศึกษาเท่านั้นจึงไม่จึงไม่ไม่ตรงต่อความจริงต้องฟังจากผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่บรรลุธรรมทั้งหลายแล้ว จะสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ่ำจะทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาคือความเห็นชอบจะไม่สงสัยว่านรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่จะไม่สงสัยว่าตายไปแล้วจะต้องไปขึ้นสวรรค์ไปลงนรกหรือไม่เพราะยาได้รับความจริงจากผู้ที่สั่งสอนด้วยความ ด้วยความแน่วแน่ไม่มีความสงสัยแต่อย่างใดเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วความคิดของเราก็จะมีเป็นความคิดที่ถูกต้องตามมาเมื่อเราเห็นแล้วว่าบาปมีจริงเราก็จะไม่ทำบาปกันเราจะทำแต่บุญอย่างเดียวเราจะพยายามชาระใจของเราให้บริสุทธิ์ให้ได้ตามกาลัง ของการศึกษาและการปฏิบัติของเราพอเราคิดว่าไม่ทำบาปแล้วการกระทาของเราก็จะเป็นการกระทาที่ถูกต้องคือเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดประเวณีเพราะการกระทาเหล่านี้เป็นการกระทาที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้กับตัวเราและแก่ผู้อื่น จะทำให้เราต้องไปรับผลที่ไม่ดีต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วและเราจะมีวาจาที่ถูกต้องคือคาพูดของเรานี้เราจะพูดในสิ่งที่ถูกต้องคือ 1. เราจะพูดความจริงคือไม่พูดความเท็จสองเราจะไม่พูดคำหยาบเราจะพูดวาจาที่สุภาพ 3. เราจะไม่พูด เพอร์เจอรคือไม่พูดเรื่องไร้สาระต่างๆเราจะพูดแต่เรื่องที่มีคุณมีประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจก็คือพูดเรื่องธรรมะเช่นพูดเรื่องศีลเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการนั่งสมาธิเรื่องการเจริญปัญญาเรื่องสถานที่ที่เราจะไปปฏิบัติว่ามีอยู่ที่ไหนบ้าง สงบสงัดดีไหมครูบาอาจารย์สั่งสอนดีหรือไม่ถ้าเราพูดเรื่องเหล่านี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติของเรานั้นเจริญก้าวหน้าถ้าเราคุยเรื่องมินทากาเลเรื่องการบ้านการเมืองก็จะทำให้จิตใจของเราว่าวุ่นขุ่นมัวจะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นเป็นไปได้อย่างทุรักทุเล พอเวลาจะทำใจให้สงบใจก็จะไม่สงบเพราะมีเรื่องว้าวุ่นขุดมัวข้างค ง, งอยู่ภายในจิตในใจนั่นเองนี่คือเรื่องของการไม่พูดสิ่งที่ไร้สาระไม่พูดเพ้อเจ้อและเรื่องที่สี่ที่ไม่พูดก็คือไม่พูดยุยงให้แตกความสามคัคคีเพราะการแตกความสามัคคีนี้ เป็นอันตรายไม่ได้นํามาซึ่งความล่มเย็นเป็นสุขของสังคมนั่นเองเราจึงไม่ควรที่จะพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่สังคมเล็กก็ในครอบครัวของเราเองสังคมใหญ่ขึ้นมาก็ตามสถานที่เราทํางานก็ดี หรือองค์กรต่างๆที่เราเป็นสมาชิกอยู่ไม่ควรที่จะพูดให้เกิดความแตกแยกสามัคคีเพราะเมื่อแตกแยกแล้วองค์กรที่เราอยู่ก็จะไม่สามารถอยู่อย่างปกติสุดได้เราก็จะเดือดร้อนตามไปด้วยดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะพูดให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันนี่คือเรียกว่าสัมมาวาจา การพูดที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมีสัมมาอาชีวะคือมีอาชีพที่ถูกต้องนี่ก็สาัมม า, าชีพเช่นการทำมาหากินที่ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นโทษต่อผู้อื่นนั่นเองถ้าอาชีพของเรานี้ทำให้เกิดโทษแก่ผู้อื่นเราก็ไม่ควรที่จะทำเช่นอาชีพค้าสุรา นี้ก็เป็นโทษกับผู้อื่นเพราะผู้ที่ดื่มสุราแล้วมักจะเกิดอาการมึนเมาแล้วมักจะอาลวาดทุบตีทำร้ายผู้อื่นเราไม่ควรที่จะส่งเสริมถึงแม้เราจะไม่ได้ดื่มเองก็ตามถ้าเราหลีกเลี่ยงอาชีพนี้ได้เราควรที่จะหลีกเลี่ยงถ้าเรายังต้องทําอยู่ก็ขอให้เราตั้งสติ ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าจะพยายามเลิกอาชีพนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้คือจะต้องเริ่มหาอาชีพอย่างอื่นมาทำเพราะมันไม่เป็นคุณกับเราเลือกกับเพื่อนร่วมโลกด้วยกันนั่นเองนอกจากการขายสุราแล้วก็การขายสิ่งที่มีเป็ที่เป็นยาพิษที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อื่น เช่นอาวุธต่างๆหรือกับดักสัตว์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้จะเอาไปทำร้ายผู้อื่นแล้วก็สอนแล้วก็ไม่ควรทำอาชีพค้าขายสิ่งที่มีชีวิตเช่นไม่ควรค้าขายเป็ดไก่สุกรหรือวัวควายเพราะเขาจะเอาสัตว์เหล่านี้ไปค่าเพื่อไปขายในตลาดนั่นเอง ไม่ควรที่จะทำอาชีพอย่างนี้เพราะจะทเพราะจะเป็นเวรเป็นกรรมนี่คือสัมมาอาชีพที่เราไม่ควรจะทำเพราะจะไม่ทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองเราจะต้องไปใช้ทุกข์ใช้ใช้แบาบปใช้กรรมต่อไปในอนาคตแล้วขั้นต่อมาก็คือสัมมาวายาโม คือความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องก็คือขยันทําความดีขยันละบาขยันทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ถ้าเราไม่ขยันฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้การปฏิบัติที่ถูกต้องและเราก็จะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกถ ก, ก็จะทําให้เสียเวลาไ ป, ปเปล่าๆควรที่ ข, ขยันฟังเทศฟังธรรมศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วนำเอาคำสอนที่ได้ศึกษานี้มาปฏิบัติต่อไป นี่คือความเพียรที่ถูกต้องความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องอย่าไปขยันกับการหาเงินหาทองมากจนเกินไปหาพอเพียงต่อการเลี้ยงชีพก็พอแล้วอย่าไ ป, ไปอยากเป็นมหาเศรษฐีอย่าไปอยากเป็นใหญ่เป็นโตเพราะว่าเงินทองและตำแหน่งต่างๆจะไม่สามารถมาดับความทุกข์ในใจของเราได้ กับมีแต่จะเพิ่มความทุกข์ในใจของเราให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเราจึงอย่าไปขยันหาเงินหาทองมากจนเกินไปอย่าไปขวนขวาอยากเป็นใหญ่เป็นโตพาะจะทำให้เรานั้นมีความทุกข์มากขึ้นไม่ใช่มีความทุกข์น้อยลงไปให้ขยันทำบุญขยันรักษาสีง ขยันภาวนาคือนั่งสมาธิและเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมแล้วจิตใจของเราจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าความสุขจะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับความทุกข์ภายในใจก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดไปได้ในที่สุดถ้าเรามีสัมมาสติคือการระลึกที่ถูกต้อง การละเลิกรู้ที่ถูกต้องก็คือตั้มละเลิกรู้อยู่ในปัจจุบันในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้อย่าให้ใจเราไปลอยไปในอดีตอย่าไปลอยไปในอนาคตคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ดีหรือคิดเรื่องที่ยังไม่มาก็ดีอย่าส่งใจปลอยไปลอยมาเพราะจะทำให้ใจนี้ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีพลัง จะไม่สามารถทำอะไรให้เป็นผลขึ้นมาได้เช่นคนเสียสติเป็นต้นเราคงเคยเห็นคนเสียสติที่เราเรียกว่าคนบาเขาจะเดินไปตามท้องถนนเขาไม่สนใจกับอะไรทั้งนั้นแม้แต่ร่างกายของเขาเองเขาก็ไม่สนใจไม่อาบน้ำเป็นเดือนไม่ซักเสื้อผ้าไม่ตัดผ้าไม่ตัดผมไม่หวีผ้าหวีผม นั่นละคือลักษณะของคนที่ไม่มีสติใจนั้นลอยไปกับความคิดต่างๆซึ่งก็เป็น ค, คิดแต่เรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นเราต้องฝึกขงทำใจของเราให้มีสติที่ถูกต้องก็คือให้ใจนั้นอยู่ในปัจจุบันให้คิดอยู่กับเรื่องที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเรากาลังทาอะไรอยู่ ก็ให้เราคิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่กำลังรับประธานอาหารก็ให้คิดว่ากำลังรับประธานอาหารกำลังตักข้าวเข้าปากกำลังเคี้ยวกาลังกลืนอย่างนี้ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่แล้วใจของเราจะไม่ลอยไปลอยมาพอเรามีสติที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมีสัมมาสมาธิที่ถูกต้องตามมาต่อไป สมาสมาธิก็คือจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบหยุดปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างชั่วข้าวแม้แต่ร่างกายก็ปล่อยวางไม่หุ่นไม่เดือดร้อนเวลาจิตสงบนี้บางทีร่างกายก็จะหายไปจากความรู้สึกจะเหลือแต่ผู้รู้อยู่ตามลงพังอยู่อย่างมีความสุขปราศจากอารมณ์ต่างๆมา สร้างความวุ่นวายใจต่างๆนี่คือสัมมาสมาธิถ้าเรามีสัมมาสติเราสามารถดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องเวลาเรานั่งทําสมาธิจะกําหนดดูลมหายใจเข้าออกใจก็จะอยู่กับลมหายใจเข้าออกจะไม่ลอยไปลอยมาไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะมีสติคอยกํากับเอาไว้ แล้วพอใจนี้ไม่ลอยไปลอยมาอยู่กับลมหายใจไปใจก็เจอรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสุขอันประเสริฐที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้พอเราได้พบกับความสุขที่ประเสริฐอันนี้แล้วก็จะทําให้เรามีสัมมาทิฏฐิเพิ่มมากขึ้นมีมีศรัทธา ที่อยากจะทำบุญให้มากขึ้นมีศรัทธาที่อยากจะละบาปให้มากขึ้นมีศรัทธาที่อยากจะชำระจิตใจให้สะอาดมากขึ้นเพราะความสะอาดของจิตใจนี่แหละที่นำความสงบนำความสุขมาให้แก่จิตใจนั่นเองไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถให้ความสุขที่เลิศที่ตัวเสิฐ ที่เกิดจากความสงบนี้ได้นอกจากการเจริญมรรคที่มีองค์แปดนี้เท่านั้นคือต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องมีสัมมาสังกัปโปคือความคิดที่ถูกต้องต้องมีสัมมากรรมันโตการกระทำที่ถูกต้องต้องมีสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องต้องมีสัมมาอาชิโวมีอาชีพที่ถูกต้อง ต้องมีสัมมาวายาโมความภาคเพียรที่ถูกต้องต้องมีสัมมาสติและมีสัมมาสมาธิถ้าเรามีมากมีองค์ประกอบทั้ง8ปประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเราก็จะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาได้อย่างรวดเร็วเป็นเหมือนรถยนต์ ถ้าเราประกอบรถยนต์ให้ครบทุกส่วนที่ของรถยนต์ที่จะต้องมีเช่นต้องมีล้อมีเครื่องยนต์มีพวงมลาลัยมีเบรกมีคันเร่งมีอะไรต่างๆถ้ารถยนต์นี้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเวลาเราขับรถเราก็จะสามารถขับรถพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย จัน้นใดมักที่มีองค์8ดนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์นี้เองที่พวกเราจะต้องประกอบกันขึ้นมาเองหรือซื้อซื้อด้วยซื้อด้วยศรัทธาซื้อด้วยความขยันที่จะสร้างองค์ประกอบทั้ง8ประการนี้ให้ปรากฏขึ้นมาด้วยการเข้าหาพระพุทธศาสนาอยู่เรื่อยๆเหมือนฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นําเอา สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนดังที่มีผู้ได้ทำมาแล้วเป็นจำนวนมากที่สามารถได้รับผลอันเลิศอันประเสริฐได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยไม่ต้องรอไปอีกหลายภพหลายชาติด้วยกันเพราะว่า ตอนนี้เรามีผู้บอกทางแล้วสาเหตุสำหรับผู้ที่ต้องบางเพนบุญบารมีเป็นกับเป็นการเป็นพบชาติที่น้ำไม่ท่วนก็เนื่องจากไม่มีผู้บอกทางนั้นเองเพราะนานๆจะปรากฏมีพระพุทธศาสนามาบอกทางให้แก่สัปโลกสักครั้งหนึ่งถ้าเราสมมุติตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เราก็จะไม่มีโอกาสเลยที่จะสามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางหลายได้ภายในภา ย, ภายในภพนั้นเลยเราก็จะต้องสร้างบุญบา ร, รมีไปเรื่อยๆไปจนกว่าเราจะมีบุญบา ร, รมีมากพอที่เราจะบรรลุธรรมหรือตัดสรลุธรรมได้ด้วยตนเองซึ่งก็ไม่ใช่เป็นของที่ง่าย ยากยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งหลายในโลกนี้ถึงแม้อย่างพวกเราในขณะนี้มีทางแล้วมีผู้บอกแล้วพวกเราก็ยังคิดว่ายากเลยแล้วถ้าไม่มีทางแล้วเราจะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้อย่างไรดังนั้นเราอย่าควรอย่าปล่อยให้โอากาสอันิอันประเสริญนี้หลุดจากมือเราไปดังโบราณที่พูดไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก เพราะว่าน้ำก็จะมีวันลดได้เพราะพุทธศาสนานี่ก็เป็นเหมือนน้ำที่จะมีวันหมดไปได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทํานายไว้แล้วว่าจะอยู่ไม่เกิน 5,000 ปีตอนนี้เราก็มาถึงขึ้นทางแล้วตอนนี้เราก็มีเวลาชั่วอายุขยของเหล่านี้ที่จะรีบตักตวงเอาประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน พราะหลังจากที่เราตายไปแล้วนี้ไม่มีใครจะรับประกรันได้ว่าจะกลับมาพบกับพระพุทธศาสนาอีกเพราะยังไม่รู้ว่าจะกลับมาเกิดอีกเมื่อไหร่นั่นเองจึงอยากประมาทขอให้เราพยายามผวนขวศึกษาและปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในเบื้องต้นก็อาจจะรู้สึกว่ายากลำบากเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทามาก่อน แต่ไม่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยส ำ, สำหรับพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนมีความสามารถพอที่จะปฏิบัติได้แต่เราต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายามเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนสิ่งใดที่เราไม่เคยทำมาก่อนเราจะรู้สึกว่ายากแต่พอเราทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะทำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว เช่นเวลาที่เราหัดขับรถใหม่ๆเราจะรู้สึกว่ายากมากไม่อยากจะขับไม่กล้าขับแต่พอเราหัดขับไปเรื่อยๆแล้วจดเกิดความชำนาญตอนนี้ก็ขับได้อย่างสบายอย่างไม่มีความวิตกกังวลแต่อย่างใดการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันในเบื้องต้นก็จะรู้สึกว่ายากแต่เมื่อเราต่อสู้กับความยากลาบากไปด้วยความ อดทนด้วยความเข้มแข็งแล้วต่อไปความยากลำบากก็จะง่ายขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งเป็นสิ่งที่ง่ายได้เพราะไม่เฉะนั้นแล้วจะไม่มีพระอาหารหันตสาวกมาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่พึ่งที่สามให้แก่พวกเราได้ที่พึ่งที่สามนี้ก็ไม่ได้มาจากใครก็มาจากพวกเรานี้เองพวกเราที่มีศรัทธาและมีความ อุตสาหะวิริยะที่จะศึกษาและปฏิบัติดังนั้นขอให้พวกเราจงมีความเชื่อมั่นในทางนี้และเชื่อมั่นในความสามารถขอ ง, ของตัวเราถ้าเรามีความเชื่อมั่นทั้งสองส่วนนี้แล้วรับรองได้ว่าการปฏิบัติของเราจะคืบหน้าจะไปถึงจุดหมายปลายทางจะบรรลุถึงผลที่เราปรารถนากันได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของ การมาวัดเพื่อมาสร้างมรรคที่มีวงแปดนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัะนารัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้